ถึงสิ่งต่างๆแยกแยะออกไปให้เห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ความดำดิจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการกำหนดวิถีทางชีวิตของบุคคลทั้งหลายเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงไว้ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่สำเร็จมาแต่ใจถ้าหากว่าบุคคลที่มีใจประกอบด้วยบาปด้วยอกุศลแล้วการพูดทมของบุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นทุจริตไปตามในขณะเดียวกันถ้าหากว่าใจของบุคคลประกอบด้วยกุศลการพูดคิดของบุคคลนั้นก็จะเป็นกุศลไปตาม เรื่องความดำริภายในใจจึงถือว่าเป็นผู้กำหนดอาการทางกายทางวาจาและแม้ทางใจของบุคคลให้เป็นไปตามความดำริที่เกิดขึ้นเพราะคนเราต้องมีการดำริก่อนจึงพูดมีการดำริก่อนจึงทาถ้าหากว่าดัมเบชอบการทำการพูดก็ชอบดัมเบผิด การทำการพูดกผิดพระภูมีพระภาคเจ้าจึงทรงเน้นเรื่องความดํางดิไวในที่ต่างๆเช่นโจรเห็นโจรคนเป็นศัตรูกันมาเจอกันอาจจะทำอันตรายให้แก่กันได้แต่ว่าจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดสามารถทำอันตรายของคนให้มากยิ่งกว่าโจรกับโจร หรือคนที่เป็นศัตรูกันทำอันตรายต่อกันอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าความตั้งจิตไวในจุดใดถ้าหากว่าตั้งจิตไว้ในจุดที่เป็นกุศลคือมีความดำริเป็นกุศลก็สร้างความสงบความสะอาดให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจได้แต่ถ้าหากว่าจิตไปตั้งไว้ผิด ความนึกความคิดของบุคคลก็เป็นไปในคันลองของอกุศลมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนตามสมควรแก่เหตุที่ตนได้กระทำลงไปและแม้แต่ในขั้นปัญหาชีวิตซึ่งพระภุมีพระภาคจะได้ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลที่มีความดําริผิดเป็นอโคเจาะเป็นโครจร คือหมายความว่าใจนั้นตรึกนึกไปในทางผิดย่อมมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระในขณะเดียวกันถ้าหากว่าบุคคลมีความดำ่ริชอบเป็นทางเดินของจิตแล้วจะเข้าใจสาระว่าเป็นสาระ สิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเขาจะประพฤติปฏิบัติไปแล้วในที่สุดก็จะประสบสิ่งที่เป็นสาระแห่งชีวิตเรื่องความดำริที่เป็นองค์อริยมรรคนั้นได้ทรงจำแนกว้สามประการด้วยกันประการแรกเรียกว่าเนคขมะสังกัปปะคือความดำริ ในการที่จะนำกายจิตของตนให้ออกไปจากการรมคำว่าการรมนั้นมีความหมายอยู่สองในยะด้วยกันในยะแรกเรียกว่าวัตถุกรรมคือวัตถุเป็นที่ใคร่ได้แก่สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลิตภัณคือสิ่งที่กายกระทบและกิเลสกรรมคือกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ ได้แก่ความรักใคร่ความยินดีความพอใจความโลภความอยากได้เป็นต้นให้สังเกตว่าตัววัตถุกรามนั้นว่ากันตามความเป็นจริงแล้วเป็นตัวกลางๆคือไม่ดีไม่ชั่วด้วยตัวของมันเองทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพระรีเจ้ากับปูทุชนนั้นเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นเหมือนกัน แต่เนื่องจากจิตใจของพระอริยเจ้าไม่มีกิเล ส, สกามอยู่ภายในถึงแม้จะเห็นรูปฟังเสียงก็ไม่ให้ก่อให้ไม่ก่อให้เกิดความกำหนัดยินดีในรูปเป็นต้นเหล่านั้นส่วนปุตุชนที่ขาดการสดับขาดการศึกษาและขาดการปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาอาศัยกิเล ส, สกามที่มีอยู่ภายในจิตใจเมื่อเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นแล้ว ก็ไปเกิดกําหนดหมายว่ารูปนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นต้นต่อแต่นั้นด้วยอาศัยการกําหนดหมายที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นคือจะมีการกําหนดหมายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในฐานะที่เป็นของน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ ด้วยแรงของกิเลสกามดังที่ได้กล่าวมาแล้วการที่บุคคลจะเกิดความดำริที่จะถ่ายถอนกายจิตของตนให้ออกไปจากกามได้นั้นก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพินิษพิจารณาข้อนี้จะพบว่าตัวการสำคัญที่กระตุ้นให้พระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวด สแสวงหาทางจัตสรุนั้นก็คือเรื่องความดํางริที่จะออกจากกามนั่นเองก่อนที่จะเกิดความดํางริเช่นนี้ขึ้นมาก็ทรงอาศัยสิ่งซึ่งมีอยู่ปรากฏอยู่ในโลกใครๆก็ประสบพรเห็นสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่ไม่ได้มองถึงอีกแง่หนึง่งอีกมุมหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นใจของคนก็เกิดความกําหนัด เกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความมัวเมาหยุดในอารมณ์ตา่างๆแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อทรงมองเห็นว่าชีวิตแต่และชีวิตซึ่งได้อุบัติบังเกิดมานั้นจะต้องประสบกับความแก่ความเจ็บและความตายจากช่วงเกิดถึงช่วงตายมีปัญหาสารพัดที่บังเกิดขึ้นและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่า เมื่อตายไปแล้วก็ต้องหมุนย้อนกลับมาสู่เกิดอีกหาที่สิ้นสุดไม่ได้ทำให้พระองค์มองเห็นโลกเห็นชีวิตปรากฏเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้อยู่โอกาสที่ไฟนั้นจะลุกลามมาไหมเจ้าของเรือนก็ใกล้เข้ามาทุกขณนะผู้ปรารถนาความสวัสดีแก่ตนก็ต้องเพียนพยายามปลีกตนออกไปจากเรือนที่กำลังไฟไหม้อยู่ชันใด ผู้มีปัญญาเมื่อได้ใช้ปัญญามองเห็นโทษของกรรมในลักษณะต่างๆแล้วก็ควรที่จะดําริในอันที่จะทำกายและจิตของตนให้ออกไปจากการรมเช่นนั้นเหตุนั้นการเสด็จออกพนวดจนถึงโค้นคว้าและได้จัดสรูของพระผู้มีพระภาคเจ้าเริ่มต้นจากความดําริชอบเป็นประการสำคัญ เนคขมะสังกปะที่แปลว่าความดําริเพื่อออกจากกามนั้นหมายถึงว่าการพิจารณาเห็นโทษของกามในเบื้องตน้นแล้วดึงกายจิตของตนให้ออกไปจากกามในลำดับต่อมาการดําริที่จะออกไปจากกามและการออกไปจากกามนั้นจึงเป็นแบบของชีวิตบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ พระผูมีพระภาคเจ้าได้ทรงจำแนกแสดงบุคคลทั้งหลายไว้เป็นสี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือทั้งกายและจิตไม่ออกไปจากวัตถุกรรมและกิเลสการมดังที่กล่าวมาแล้วคือหมายความว่าปล่อยกายจิตของตนให้พัวพันหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในโลกียอารม์ทั้งหลายด้วยแรงกระตุน้นแรงกระซิ ของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งแน่นอนว่าบุคคลประเภทนี้ถึงแม้จะใช้ความเพียรพยายามอย่างไรก็ตามโอกาสที่จะเกิดความส ง, งบขึ้นมาภายในจิตใจนั้นมีไม่ได้ทรงอุปมาไว้ว่าเหมือนกับไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางและวางอยู่ในน้ำแม้บุคคลต้องการไฟนำมาสีข้าว ก็ไม่อาจาที่จะให้เกิดไฟขึ้นมาได้เพราะว่าเปียกทั้งยางและเปียกทั้งน้าประเภทที่สองนั้นเป็นเรื่องของการมองเห็นโทษของกามแล้วดำริที่จะออกจากกามแต่เป็นการออกไปเฉพาะร่างกายเท่านั้นส่วนจิตใจยังผัวพันยังหมกมุ่นยังคลุ้นคิดยังควายคว้าถึงกรรมคุณทั้งหลายอยู่ ทรงใช้คำว่ากายออกแต่ใจไม่ออกคือหมายความว่ากายนั้นอาจจะออกบวชเป็นนักบวชในศาสนาหรืออาจจะหลีกเล้นไปหาความส ง, งบในที่ต่งางๆ mm hmm. เช่นการปฏิบัติกรรมฐานในสำนักดั้นั้นเป็นต้นแต่ว่าในขณะเดียวกันจิตใจของบุคคลยังไปเหนี่ยวนึกยังไปตรึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอจะอยู่ซึ่งแน่นอนว่าจิตที่กรอบด้วยความรู้สึกเช่นนี้อย่างที่เคยกล่าวมาในตอนที่ว่าด้วยนิวรณว่าทรงอุปมาเหมือนบุคคลที่เป็นลูกหนี้คนอื่นจะต้องตามชดใช้หนี้ศินที่ตนหยิบยืมเข้ามาตลอดไปไม่มีความเป็นอิสระแก่ตนจิตใจของบุคคลที่ถูกคูัวพันด้วย ความรักใคร่พอใจในวัตถุกรรมทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นคือจะขาดความเป็นอิสระแก่ตัวเองและพันธนาการตนเองไว้ด้วยอารมณ์เหล่านั้นแม้บางครั้งบางคราวอาจจะส ง, งบจากวัตถุกรรมทั้งหลายแต่ว่าใจอาจจะเหนียวนึกปรารถนาต้องการการมาสุขที่ประณีตขึ้นไปเช่นความสุขในสวรรค์เป็นต้น ในแง่ของความสงบใจแล้วจะเป็นยังไงก็ตามสิ่งเหล่านั้นยังเป็นอุปสรรคแก่ความสงบอยู่ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความเหนียวนึกในลักษณะนั้นยังเป็นอาการของกามาฉันคือความรักใคร่พอใจในวัตถุกรามทั้งหลายซึ่งเป็นนิวร อ, อันกั้นจิตบุคคลไว้ไม่ให้บรรลุความดีอยู่ประการหนึง่ง ดังนั้นความดำดิออกจากการถึงแม้จะออกไปได้ในลักษณะนี้จิตใจของบุคคล จ, จึงยังเป็นเหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางถึงแม้จะวางไว้ไกลน้ำก็ตามแต่หากว่าบุคคลนำมาใช้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นทำเครื่องเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นก็ไม่อาจจะทำได้ทั้งนี้เพราะยังเปีกยกยางอยู่ถึงแม้จะไม่เปียกน้าอย่างประเภทแรกก็ตาม ความดำดิในลักษณะนี้จึงชื่อว่าปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่วโอกาสที่จะให้เกิดออกจากกามได้อย่างแท้จริงนั้นจึงมีไม่ได้คือความส ง, งบจะเกิดขึ้นโดยวิธีนี้อย่างไม่ได้จะต้องก้าวหน้าต่อไปอีกในระดับหนึ่งและในข้อที่3นั้นได้ทรงแสดงไว้ว่ากายไม่ออกแต่ใจออก คือหมายความว่าเป็นความดำริของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มองเห็นโทษของกามทั้งหลายแล้วมีความเบื่อหน่ายในวัตถุกามทั้งหลายเหล่านั้นมองเห็นเป็นโทษเป็นภยัยเป็นเหมือนอสุรพิษที่ตนจับกลุ่มเอาไว้โอกาสที่จะถูกแว้งกัดมีได้ง่ายก็เพียงพยายามที่จะ ดึงจิตของตนเอาไว้ไม่ให้เกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมทั้งหลายเหล่านั้นแม้ว่าตนเองจะอยู่ในแวดวงของสิ่งเหล่านั้นก็ตามแต่เพียรพยายามยกจิตของตนให้สูงเหนืออารมณ์เหล่านั้นเอาไว้กายของตนยังอยู่ในแวดวงของกามาคุณอยู่แต่ว่าจิตใจมีความอิสระมีความโปร่งเบาสบาย เพราะไม่ไปยึดไปติดไปหลงไปมัวเมาอยู่ในวัตถุกรรมทั้งหลายเหล่านั้นความดำริที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้จนถึงกับลงมือประพฤติปฏิบัติไปได้นั้นท่านแสดงว่าอํานวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ครองเรือนก่ให้เกิดเป็นความส ง, งบระ ง, งับในชั้นต่างๆเป็นความประนีตขึ้นภายในจิต และเป็นความสะอาดภายในจิตจนถึงกับสัมผัสอริยคุณคือเป็นได้จนถึงพระอนาคามีบุคคลอันเป็นพระอริยบุคคลระดับสาในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหมายความว่าด้วยชีวิตการครองเรือนที่มองเห็นโทษของกรมทั้งหลายว่าเป็นเหมือนสีษะอัสดรพิษเป็นเหมือนการถือคบเพลิงที่ทวนลม เปลนเป็นเหมือนกับผลไม้เป็นเหมือนกับยาพิษเป็นต้นแล้วดึงจิตของตนออกจากวัตถุกรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วยการบรรเทากิเลสกรรมทั้งหลายมีความรักใคร่พอใจยินดีปรารถนาปรารถนาทยานอยากเป็นต้นให้บรรเทาเบาบางลงไปนั้นถ้าหากว่าถึงขั้นสงบระงับได้แล้วอาจจะเป็นได้ถึงพระอนาคามี พระนาคามีจึงเป็นคารวาสสมุนีหมายความว่าเป็นนักบวชที่อยู่ภายในบ้านเป็นอาการของท่านที่มีจิตออกจากกรมกุลถึงแม้กายจะอยู่ใน่าำกลางกรมกุลทั้งหลายก็ตามแต่ว่าจิตของท่านไม่ได้แปดเปื้อนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจแห่งกรรมกุลเหล่านั้นประเภทที่สี่นั้น เป็นเรื่องการออกไปได้ทั้งทางกายและทางจิตคือหมายความว่าเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโทษของกามโดยนิยะดังที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติไปจนสามารถบันเทาแล ะ, ละกิเลสกามทั้งหลายไปได้ mm. ก็เป็นการออกจากกามไปด้วยกายคือการออกปวดและด้วยใจคือการประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุด ในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขั้นของความดั่ิที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปนี้ถ้าก้าวเดินไปถึงจุดในความประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะพบว่าด้วยชีวิตการครองเรือนนี้เองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามบุคคลสามารถเป็นคารวาสสมุนีอยู่ภายในบ้านแต่ว่าไม่ให้จิตใจของตนหมกมุ่น รุ่นคิดมัวเมาอยู่ในวัตถุกรมทั้งหลายก็กลายเป็นประเภทของผู้ที่มีจิตออกจากกรมถึงแม่กายจะยังไม่ออกก็ตามแต่ว่าจุดเป้งหมายจริงๆนั้นก็คือประเภทที่สี่เพราะเป็นผลของการบรรลุที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ประการไดประการที่สองนั้นเรียกว่าอพยาปาดสังกัปปะ คือความดำ่ริในในการไม่พยาบาทหมายความว่าบุคคลได้พิจารณาเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง้อ น, นี้ดังที่ได้เคยกล่าวมาในเรื่องของนิวรณ์ว่าความพยาบาทนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุปมาไว้ว่าเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นในกาย อาการเสียแทงของโรคจะมากหรือจะน้อยก็าตามบุคคลที่ถูกโรคเสียแทงคนนั้นเท่านั้นที่จะรับผลความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านั้นคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะแบ่งเบาบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้เลยจิตใจของบุคคลที่ถูกความอาฆาตพยาบาทเข้าครอบงำก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ความอาฆาตพยาบาทที่เกิดขึ้นนั้นจะทาหน้าที่แผดเผาจิตใจของบุคคลให้เล่าร้อนไปด้วยประการต่างๆเมื่อบุคคลพิจารณามองให้เห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทแล้ว <c oughs> ก็เพียรพยายามดาริถึงนึกถึงในสิ่งที่จะไม่ให้ความพยาบาทบังเกิดขึ้นแม้จะเกิดขึ้นแล้ว ก็เพียงพยายามบรรเทาความรู้สึกเหล่านั้นออกไปในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะไว้ชุดหนึ่งเรียกว่าธรำเป็นพนักอิงในข้อที่สี่นั้นทรงแสดงเรื่องเหล่านี้ไว้ในขั้นของการบรรเทาคือให้บรรเทาความคิดที่จะก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นภายในจิตใจการบรรเทานั้นอาจจะมีได้หลายอย่าง อย่างแรกด้วยการสํารวมระวังไม่ให้ความรู้สึกขุนเคืองไม่ยินดีไม่พอใจความโกรธความเครียดแค้นบังเกิดขึ้นประการที่สองเมื่อสิ่งเหล่านั้นบังเกิดขึ้นแล้วก็เพียงพยายามที่จะบรรเทาความรู้สึกเหล่านั้นให้เบาบางลงไปคืออย่าให้เล่าร้อนมากนะักแล้วในชั้นต่อไปก็คือเพียงพยายาม ที่จะละอารมณ์อันบังเกิดขึ้นโดยการตั้งจิตของตนไว้ให้ประกอบด้วยหลักธรรมะที่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเหล่านี้เช่นว่ามีความข่มใจหักข้ามใจเอาไว้มีความอดทนต่ออารมณ์ทึ่งมาเสียดแทงใจมีความเมตตาคือสร้างความรู้สึกปรารถนาดี และหวังดีต่อบุคคลทั้งหลายมองเห็นชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามที่ใช้คำว่าสเภสตานั้นต้องการที่จะเห็นคนและสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอยู่กันอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันดำรงชีวิตอยู่เป็นสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนและแม้ว่า มีการละเมิดมีอาการก้าวร้าวเป็นต้นบังเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาถึงโทษของการด่าตอบการประหารตอบการประทุษร้ายตอบแล้วให้อภัยในโทษอันร่วงเกินเหล่านั้นเสียเมื่อบุคคลเพียรพยายามปรับจิตได้โดยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือในสายของการละตัวการที่จะก่อให้เกิดพยาบาท และในสายของการเสริมสร้างคุณธรรมความดีที่ตรงกันข้ามกับความพยาบามให้บังเกิดขึ้นภายในใจิตใจแต่ละฝ่ายนั้นมีผลที่ก่อให้เกิดเป็นความส ง, งบประงับดับความพยาบาทอันยังไม่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมลงไปจนถึงกับส ง, งบประงับดับไปความดําริในลักษณะนี้ จึงต้องประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพินิษพิจารณามองเห็นโทษของความไม่พอใจความหงุดหงิดความโกรธความประทุษร้ายความอาฆาตและความพยาบาทซึ่งพระพุทมีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงโทษของกิเลสสายนี้เอาไว้เป็นอันมากเช่นทรงแสดงไว้ว่าคนที่ประกอบด้วยกิเลสสายนี้ ย่อมไม่เห็นอัดไม่เห็นทรรมความโกรธความอาฆาตพยาบาท <c oughs> ครอบงานรชนเมื่อใดเมื่อนั้นสติปัญญาเป็นเครื่องพินิษพิจารณาก็จะเลือนหายไปจากจิตใจของบุคคลเมื่อนั้นเมื่อมองเห็นโทษได้ในลักษณะนี้แล้วก็จะเกิดความรังเกียจที่จะปล่อยให้ความรู้สึกอาฆาตพยาบาทบังเกิดขึ้น แตในขณะเดียวกันก็มองให้เห็นคุณของธรรมะมีเมตตาและขันติเป็นต้นที่บุคคลได้อบรมจเจริญกระทําให้มากขึ้นภายในจิตใจว่าเป็นไปเพื่อความสงบระงับดับเปลนภยัยอันจะเกิดขึ้นเพราะความดําริถึงด้วยอํานาจความอาฆาตพยาบาทเป็นต้นเพราะเมตตาและขันตินั้น มีลักษณะเหมือนกับน้ำที่ก่อให้เกิดความสะอาดความเยือกเย็นขึ้นภายในจิตใจของบุคคลข้อต่อไปนั้นเรียกว่าอาวิหิงสาสังกปะคือความดําริในการไม่เบียดเบียนคำว่าอาวิหิงสาเป็นหลักธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งที่เรียกว่าเป็นพุทธอุทานคือเป่ง หลังจากการสัตรู้ประมาณหสัปดาห์เมื่อประทับอยู่ที่ต้นจิกชื่อว่ามุจลินก็ได้เปล่งพระพุทธอุทานขึ้นในตอนหนึ่งว่าความไม่เบียดเบียนกันคือการสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขในโลกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าการไม่เบียดเบียนกันนั้น เป็นตัวการที่จะก่อให้เกิดความสุขความสงบขึ้นภายในโลกอวิหิงสาสังกปะนั้นทรงกันข้ามกับอัพยาปาดสังกปะคือความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่พยาบาทนั้นหมายความว่าบุคคลหรือสัตว์เหล่านั้นก่อให้เกิดความไม่พอใจขึ้นแก่ตนแล้วตนก็เก็บไว เมื่อเก็บไว้มากก็กลายมาเป็นพยาบาทแต่เรื่องของความเบียดเบียนเป็นเรื่องของจิตใจที่เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์คือนิยมชมชอบที่จะเห็นความปีนาศความเดือดร้อนในด้านต่างๆอารมณ์เหล่านี้ถูกกดเก็บไว้ภายในจิตใจและพร้อมที่จะแสดงออกมาในโอกาสใดโอกาสหนึ่งข้อนี้พึงเห็นได้ว่า เวลามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความวิบัติต่างๆขึ้นเช่นว่าไฟไหม้คนทะเลาะกันมีการสงครามเป็นต้นความสนใจของคนก็จะโน้ ม, น, มน้อมไปหาเรื่องเหล่านั้นทั้งๆ ท, ท, ที่ว่าเหตุการณ์และบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ประทุสร้ายอะไรตนเองเลยแต่ว่าบุคคลชอบที่จะดูชอบที่จะเห็นในเรื่องเหล่านั้น ความดํารินึกคิดในลักษณะนี้บางครั้งบางคราวก็ออกมาในรูปของกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่ยอมรับนับถือกันว่าเป็นความถูกต้องเช่นการกีฬาการพยชนต่างๆไม่ว่าชกมวยกัดปราชนกายเป็นต้นเป็นความดําริที่เกิดขึ้นมาจากการเบียดเบียนทั้งนั้นคือต้องการจะเห็นความพินาศของคนและสัตว์ทั้งหลายหมายความว่าคนและสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เป็นคู่กรณีอะไรกับตน แต่เนื่องจากพื้นจิตของคนกรอบด้วยวิหิงสาอันเป็นความมืดบอดทางสติปัญญาแล้วก็ดำรินึกถึงในเรื่องเหล่านี้ดังนั้นอวิหิงสาสังกปะคือความดำริในการไม่เบียดเบียนจึงเกิดขึ้นมาจากจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพินิษพิจารณามองเห็นโทษของความเบียดเบียนที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจ โดยน้อมนึกให้เห็นว่าถ้าหากความเบียดเบียนความเดือดร้อนเหล่านั้นบังเกิดขึ้นแค่ตนจะด้วยการกระทำของใครก็ตามตนก็ไม่ชอบไม่ปรารถนาความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านั้นชั้ น, น, ดนในน ด, ด, นนนนดแม้คนอื่นและสัตว์อื่นก็มีความรู้สึกมีความต้องการเช่นเดียวกันฉะนนั้นเรื่องของความไม่เบียดเบียนจึงเป็นความรู้สึกที่ทรงกันข้าม คู่กับการุณาคือความสงสารปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นและสัตว์อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นฐานที่จะก่อให้เกิดความไม่เบียดเบียนจึงอาจจะเริ่มมาจากการุณาคือมีความสงสารมองเห็นชีวิตและสัตว์ทั้งหลายที่อุบัติบังเกิดมานี้ มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนท่วมทับอยู่เป็นอันมากแล้วเรื่องอะไรจะหาความทุกข์มาซ้ำเติมมาก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอีกโดยพยายามน้อมนึกเข้ามหาตนว่าใน ย, ยามที่ตนประสบความทุกข์ประสบอันตรายหรือภัยพิบัติต่างๆนั้นปรารถนาความเอื้ออารีช่วยเหลือสงเคราะห์จากบุคคลอื่นชั้นใด แม้คนอื่นสัตว์อื่นเมื่อประสบภัยเช่นที่กล่าวมานั้นก็ปรารถนาความกันุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลจากบุคคลอื่นเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วอวิหิงสาสังกปะคือความดําริตในการไม่เบียดเบียนนีก็จะก่อให้เกิดผลเป็นการมองคนและสัตว์ทั้งหลายในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บด้วยการร่วมตายด้วยกัน ดังนั้นความดําริชอบทั้งสประการนี้เป็นการดําริที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพิพจิิณาส่วนโทษในทางที่ตรงกันข้ามและพิจารณาในส่วนที่เป็นคูณของความดําริชอบดังกล่าวแล้วความดําริทางใจก็จะบังเกิดขึ้นในคันลองแห่งธรรมอนำความสงบเย็นให้บังเกิดขึ้นในเบื้องต้น ก็อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงในเบื้องปลายอันเป็นจุดมุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นความดำริชอบจึงชื่อว่าเป็นองค์อริยมรรคประการหนึ่งตอบนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป